ก็ความจเจริญในธรรมจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังเสนอเรื่องความคิดของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้จัด ร, รู้ก็มาถึงเรื่องสำคัญก็คือปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยาการเรืออธิจสมุปปันธรรม หรือว่าตัทธตา ก, ก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่เป็นการมองในแนวการสืบสาวจากปลายไปหาโคดคือสืบสาวจากชรามรณะว่าความแก่กับความตายนี่มาจากไหนภาษาไปเจอเกิดก็แสดงว่าความเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้แก่ให้ให้ตายนะคือช่วงจากแก่ถึงตายก็มีอะไรเยอะ ทีนี้ปัญหาประการต่อไปก็ถามว่าความเกิดเนี่ยมาจากอะไรก็ทรงเห็นว่าพระพบนี่เองมีอยู่ชาติความเกิดจึงมีอยู่แสดงว่าชาติเนี่ยมีพบเป็นเหตุเป็นปจัจจัยคำว่าพบนั้นแปลว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ ตามภูมิจิตของสัตว์ในพบนั้นๆั่ถ้าเราจำแนกโดยวิจิตพิสดารมันก็มีสามสิบเอ็ดพบแต่ว่าโดยเกาะกลุ่มแล้วมันจะมีอยู่แค่สามพบข้อนี้เป็นข้อที่ควรทั้งข้อสังเกตไว้เป็นเบื้องต้นนะพอเราจะเจอในโอกาสต่อไป พระเจ้าทรงแสดงพบไว้สามพบแต่ภูมิไว้สี่ภูมิภูมิจะเป็นชั้นของจิตหยาบกลางประณีตจนถึงจิตที่มีความบริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงก็เป็นภูมิจิตอยู่แต่ว่าภูมิจิตขนาดนี้ไม่มีพบจะเกิดเพราะว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์พวกที่ไม่มีพบไปเกิดก็คือ พุทบุคคลทั้งสามประเภทคือพระหันตสมาคมพุทธเจ้าพระปฏิเจกาพพุทธเจ้าพระหันตสาวกนอกจากนั้นยังมีอยู่คือยังมีทั้งภพทั้งภูมินะฮะตั้งแต่พระนาคามีลงมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีหนึ่งหนึ่งภพแหละปุกาสมาภพก็หมายความว่าสัตว์เหล่านั้นยังมีการเสพกามยังมีคู่ครองเในลักษณะต่างๆก็แล้วแต่ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคนเสมอไปนะจะเรียกว่าก็มีคู่ครองเบี่ยนับโดยละเอียดท่้นก็นัาออกไปเนะก็แบ่งเป็นอบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกก็รวมแล้วสิบเอ็ดพวนี้อยู่ในประเภทเรียกวากาหมาวาจรภูมิคือเสบกา ม, มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอยู่ เป็นผลมาจากสุจริตทุจริตก็แสดงว่าถ้าอยู่ระดับอบายสี่นี่ก็ทุจริตหนักหน่อยระดับมนุษย์ก็ทุจริตน้อยหน่อ ย, อยสุดจริตเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ไม่ใช่สมบูรณ์หรอกพอ ม, มาถึงระดับสวรรค์มันก็ทุจริตก็ลดลงสุจริตก็เพิ่มขึ้นนะ สรุปว่าก็อยู่เป็นผลมาจากกุศลกรรมบุทั้งสิบประการที่มีความสงบมากยิ่งขึ้นประการต่อไปเป็นอรู ป, ปรพบเป็นผลมาจากการปฏิบัติพัฒนาจิตที่ท่านเรียกว่ารูปฌานอรูปฌานคือท่านที่จเจริญอ ร, รูปรูปฌานมาจนบรรลุรูปฌานสี่ประการก็ทำให้เกิดในพบตามกลาลังของฌาน และเรียงขึ้นเป็นเป็นสิบเอ็ดพรมโลกเป็นสิบเอ็ดชั้นด้วยกันชั้นก็เป็นชั้นของฌานนะฮะชั้นของฌานเป็นกำหนดชั้นของจิตที่จะไปอุบัติแล้วก็ต่อไปก็เป็นระดับพระนาคามีก็เดียว่าสุทธาวาสก็ยังเป็นรูปเหมือนกันก็มีอยู่ห้าห้าระดับรวมแล้วตรงนี้ก็สิบหก ต่อไปก็เรียกอารูปภพคือภพของสัตว์ที่ไม่มีรูปมีแต่นามขันสีคือเวทนาจญยาสังขารวิญญาณเพราะท่านนายในรูปสำรอกความกำลัดยึดติดในรูปออกไปแล้วก็ตายด้วยกำลังแห่งฌานล่านั้นอย่างสูงสุดก็บังเกิดในรูปภพชั้นสูงรูปภพลมชั้นสูง ถึงกร น, นี้ถ้าเรามองกลับไปอีกไม่จะมองกลับนะคือมองไปที่ตอมพระพุทธเจ้าสัสรูแล้วเนี่ยในขณะที่ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะเสด็จไปโปรดเดินทีเดียวทรงตั้งพระไทยจะไปโปรดอาลาดาบทการามโคตุตการดาบทรามบุตรแต่ว่ารู้ด้วยปัยญานนะว่าดาบทั้งสองนั้นตายไปก่อน อาดาบตายไปก่อนนานั้นเจ็ดวันอุตกระดาบทาย ไ, ไปเมื่อคืนก่อนเองพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอาจารย์ทั้งสองประสบความสิบนหายอย่างหนักใช้ความสิบนหายเลยนะฮะเจ้าความสิบหายอย่างหนักเพราะอะไรเพราะว่าการบังเกิดเป็นในรูปประพรมนี่นเป็นชีวิตที่อยู่นานมากๆเดี๋ยวถ้ามองไม่ตลอดสายก็จะนึกว่าชีวิตนี้รันแล้วนะ แต่ในขณะเดยียกันไปถึงจุดหนึ่งพอกำลังของชาญเสื่อมท่านก็หมุนวนก็สู่สังสารวัฏเหมือนเดิมทีนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยากยิ่งไอ้จังหวัดจะบังเอิญคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตยั่งยืนมามีโอกาสฟังพระสัจธรรมการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องที่ยากมากและอาจารย์ทั้งสองในพลาดไปนิดเดียวแต่นด็ ก็แสดงว่าตอนที่ท่านมนาภาพเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางมาโปรดประพันธ์เด ว, วักคีก็จะจะรู้แล้วประทับเสมอมุติสุขแล้วเวลาก็ห่างกันนิดเดียวท่นเองแต่ว่าก็คือห่างเวลาเนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าสังเกตนะว่าดูแล้วน่าจะทำได้แต่เอ๊ะมันทำไม่ได้ผิดเวลาไป มีงานเป็นอันมากที่เรานึกว่าคนนั้นควรจะมาคนนี้ควรจะมาคนน้นควรจะมาเช่นยกตัวอย่างงานศพงานศพแม้คนจะเคารพนักถือคุ้นเคยกันยังไงก็ตามคนมาทุกคืนไม่ได้มันจะต้องมีปัญหาอะไรอยู่เพราะาช่วงที่สวดศพเนี่ยมันนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมาช้าไปนิดก็พอไหวนะคอยเอา แต่เลยไปหน่อยก็จบกันดังนั้นต่จังหวะเราเนี่ยมันก็ย่อยเอาไปจนเป็นจังหวะที่เราหมุนวนอยู่ในสงสารวัฏมันก็เห็นอย่างหนึง่งว่าที่มันลงตัวนี่ไม่ใช่ง่ายเราไม่ต้องพูดถึงอื่นใครนะฮะพูดถึงว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมีรูปสง่างามหรือสวยงาม มีสติปัญญาดีมากและมีคุณธรรมสูงสง่งคนเดียวกันนะหายากยิ่งกว่างงเข็มในมาสมุทรนี่เอาแค่สามอย่างไงสามอย่างซึ่งอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเนี่ยจะหายากมากภาษาของวรรณคดีท่านกล่าวว่าเทพเจ้าสามองค์ จะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันคือเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งความดีแล้วก็เทพเจ้าแห่งปัญญาเนี่ยจะไม่สถิตร่วมกันในคนคนเดียวกันคนใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันได้คนนั้นก็เป็นยอดคนแล้วสลองสังเกตนะฮะคนประเภทนี้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยอดคนนะนางวิสาขาเนี่ยยอดหญิงนะ เป็นเบญจ ก, กัลยาณีมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความสวยงามต่างๆพวกนี้เป็นเกิดโดยบุญญาอนุภาพอนุภาพแห่งบุญแล้วก็สะสมมาหลายทางเพราะตามปกติการทําบุญเนี่ยท่านจึงสอนให้ทําหลายๆทางอย่างนั้นมันให้อย่างนั้นอย่างนั้นให้อย่างนั้นอย่างนั้นให้อย่างนั้นแต่เราดูง่า ย, ายๆเนี่ยใล้ๆกับยาที่มันมีส่วนผสมอยู่หลายๆอย่างเนี่ย ส่วนผสมเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ปฏิกิริยาต่อโรคชนิดนั้นชนิดนั้นก็เรียกเรียกว่าแยกยายกกันไปทำงานนะนะหรือเหมือนอาหารได้รับประทานเข้าไปมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีอะไรต่อไรเนี่ยมีแคลเซียมเขาก็ซึมซับไปไปหล่อเลี้ยงในส่วนที่มันขาดตกปกครองอยู่ เพราะนแนวตัวนี้มันก็กลายเป็นแนวธรรมชาติที่เราเห็นชัดเจนว่ากระบวนตรงนี้เป็นกระบวนธรรมชาติที่สร้างชีวิตของมนุษย์ในประณทศขึ้นไปปุ่นนี้ถ้าถ้าถ้าเรามองอีกแนวหนึ่งตามโครงสร้างของปฏิจสจสมบัติเราจะเห็นว่ามันเป็นวิบากมันเป็นผลพบทั้งหลายนี่มันเป็นผลทึ่ เ, เ, เกิดมาจากเหตุก็คือกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ เพราะคว่าพบจึงไม่จึงมีแค่สามพบในขณะที่ภูมิมีสี่ภูมิคือถ้าเราจะเคารพหลักที่เป็นผลมาจากสรรพยุติยานของพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเสียงอะไรกันเลยเพราะว่าในขณะที่เราพูดว่ามีอายตนะ น, นิพพานมีแดนนิพพานมีเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมาตะมานะก่อนนิพานนั้น ต้องถามมาพระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ที่ไหนอะไรคือพบก้อสิ่งเหล่านี้ถ้ากลัวไม่มีไม่มีพบที่จะไปอุบัติและประยานที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าที่เราผ่านมาหลายครั้งแล้วนะทีว่าก็แรงยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความรุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย พบใหม่ไม่ได้มีคือพบสมัติพระอรหันต์นี่ยไม่มีแต่ว่าออต่อจากนั้นลงมานี่มีนะมีพบซึ่งถ้าเราเคารพหลักเคารพกฎเกณฑ์นะที่จริงปฏิจจสม บ, บัทนี่จะสอนอะไรเราเยอะต้งฟังได้โปวดเข้าใจปฏิจจสมบัติคืออริยสัจนะซึ่งจะสรุปในตอนหลัง แต่ว่าเป็นหลักธรรมที่อธิบายยากอาตมาเองตั้งแต่บวชมาจนถึงพันศาล้มยี่สิบนะฮะสามารถอธิบายปฏิจจสมุปบาทได้นะอธิบายได้นะไม่ใช่เห็นปฏิจจสมุปบาทเราสอนนักศึกษาปีสองที่มาัลชลายมังกรดาตยาลายเฉพาะสูตรเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่ง ก็ก็ไม่ใช่ทุกวันนะฮะแต่ว่าสอนสอนสัปดาห์หนึ่งก็สองชั่วโมงก็สแสดงว่าใช้เวลาแปดชั่วโมงเพื่อจะสอนอธิบายปฏิจจสมบัติแก่นักศึกษาซึ่งเรียนมาถึงปีสองเราก็จริงมาอย่างประดับประเดิดอยู่เลยแต่มาจะนั่งถกเฉียงอาจารย์ ท, ทัศน์สอนประตูทั้งหลายเนี่ยเรา คืเราเรียนมาตั้งแต่นักข่าวยันโตแต่เราไม่เข้าใจเราเชื่อมต่อไม่ถูกก็ยังได้ยินท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ท่านบอกว่าท่านเพิ่งเข้าใจปฏิจจสมบัติเพราะอาจารย์วสินนินทัศระเนี่ยอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นเอาจะพาะอธิบายได้ก่อนเน่ยมันเรื่องเมืองไม่ใช่เล่นเรื่องรู้นี่ไม่ต้องพวงอนะไปา ย, ยากเลยคืออริยสัจสี่ พลังเนี่ยเขาจะใช้แนวปฏิจจสมบัติเนี่ยมากกว่าในแนวของอาเรสัตเราใช้แนวอริยสัตมากกว่าแนวปฏิจจสมบาติแต่แนวปฏิจจสมบัติจะมองเห็นเป็นกระบวนการกระบวนการในลักษณะที่อะไรล่ะเหมือนการเลื่อนไหลของการสืบสายสะกูลวงศ์ถ้าเราถามว่าโคดเง้าสกุลเรามีไหมบอกว่ามีแต่ไม่รู้ชื่ อ, อยังไแงแต่เนั่นเองนะเราไม่รู้จักชื่อแทน ะเราสาวขึ้นไปได้อย่างคนรุ่นเราเนี่ยสาวไปได้อย่างมากก็แค่ปลู่ทวดปู่ทวดย่าทวดยายทวดตาทวดเนี่ยนะฮะสาวไปได้ขนาดนั้นแล้วก็ทวดแล้วก็ปู่เราก็พ่อเราก็สาวไปได้ขนาดขนาดสี่ชั่คนสามชั่คนแต่ว่าเกินปู่ทวดไปก็ยังมีอีกเยอะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละมาทางไหนบ้างก็ไม่รู้นั่นคือบรรพชนเป็นคนที่เกิดมาก่อน แต่อย่าลืมนะครับท่านมีเพราะมีท่านจึงมีเราเพราะมีเราจึงมีท่านก็เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราะการที่มีเราก็เพราะมีท่านพวกกิเลนเหล่านี้ก็เหมือนกับปัจจัยพวกกระบวนการปัจจัยการเหล่านี้ก็เหมือนกันมันเป็นปัจจัยของกันและกันที่สันพูดว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับ มาก็ถยอยกันไปเป็นกระบวนการแบบฝนตกเด็ดออกน้ำไหลไขว่สว่างทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่จริงเป็นกระบวนการเดียวกันก็ยังนึกถึงเรื่องเหล่านี้พบเนี่ยบางทีเนี่ยจะหมายถึงก็เรียกสังขารภพสังขารภพก็คือบุญคือบาปคือระดับของรูปฌานนะรูปฌานที่เราเรียกว่าเนนชาในขนาดเดียวกันความรู้สึก ที่เรียกว่าอหังการนะฮะรู้สึกว่าอหังการรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นเนี่ยมันก็มีอยู่ภายในใจมีอยู่ภายในใจเราก็กลายเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ก็เกิดการยึดติดในความเป็นรัวพบเนี่ยมันเป็นที่อยู่เป็นที่ขังสัตว์ไว้นะฮะในในตัวพบเนี่ยก็เรียกว่าตีบางทีเขาเรียกสังสารทุกข์หรือสังสารหรือว่าพบทั้งหลายเนี่ย บางทีเขาเรียกว่าสังสารวัตรทีนี้ตั้งปัญหาถามต่อไปว่าภพเนี่ยมันมาจากอะไรบอกว่าเพราะอุปาทานนี่เองมีอยู่ภพจึงได้มีเพราะมีพระอุปาทานเป็นปัจจัยตรงนี้ก็ถึงกิเลสแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าทั้งหมดที่ว่ามาข้างต้นเนี่ยมันเป็นวิบากตอนนี้ก็เป็น กิเลสนะฮะเป็นกิเลสเป็นวิบากกับเป็นกรรมตอนนี้เป็นกิเลสอนะ่ะคำว่าอุปาทานนั้นแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นหรือยึดติดอุปาทานแปลว่าเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นยึดติดด้วยความชอบก็ได้ความชังก็ได้ความเข้าก็ได้ความกลัวก็ได้ก็แล้วแต่แต่สรุปมันก่อให้เกิดการยึดติดเราลองสังเกตว่า เราไปพบใครคนหนึ่งแล้วเราชอบเขาเนี่ยมันยึดติดอยู่ภายในใจเราพอไม่พบการโหยหาอะไรคิดถึงกันหนึ่งหาแล้วก็มีความรู้สึกถ้ายัางผูกพันกันอยู่ก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่อะไรโลกนิทกว่าไว้นะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวรวมห้อง ช่างกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอความมาป้องป่าไม้มาบางังนั่นก็ระกืออุปทานด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่คนที่เรารักเนี่ยมันมีความรู้สึกร่วมรู้สึกสนิทสนมรู้สึกผูกพันกายชิดมันอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้เพราะว่าใจผูกพันในฐานะเป็นความรักในฐานะเป็นมิตรแต่คนที่ช่างกันที่จริงก็อุปทานเหมือนกัน แต่ว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลคือเราไม่ชอบเขาว่านั่นก็เป็นลักษณะของอุปาทานเพราะฉะนั้นอุปาทานมันจะออกมาเป็นสี่ประการแต่ว่าบาลีที่แสดงจากการสังเกตว่าท่านใช้กาหะสามมากกว่าใช้อุปาทานสี่แต่เนื้อหาซ้ํานะเนื้อหาซ้ําคําไม่ซ้ําแต่เนื้อหาซ้ํากันมันแตกต่างกันที่ภาษา คือการมูปาทานถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่เราใคร่เห็นไหมถ้าเราใคร่เราพอใจเรารักแล้วก็ของเราของเรานั้นต้องอยู่กับเราถ้าหายไปเราจะเป็นทุกข์ถ้าอยู่ร่วมกับเราเราก็เป็นสุขแล้วก็ลึกๆ ก, ก, ก็มีทุกข์แฝงอยู่นะเพราะกลัวภยัยกรัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นหรือเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เหมือนกับอะไรล่ะจำนวนจีนที่เขาว่า คนไม่ผิดเั้ผิดที่มียกติดตัวเพราะในสิ่งที่เราใคร่เนี่ยที่เราครอบครองที่เราตือครองอยู่มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างคือให้ความยินดีแล้วก็ให้ความวิตกกังวลความหวาดระแวงกลัวว่าภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะการครอบครองของสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุภาพเราเนี่ยเราเห็นได้ชัดมันเหมือนคนทีุ่กไลยลา เพราะเาครอบครองอะไรไว้อย่างพวกหนังจีนหนังอะไรเนี่ยเลยชัดเจนเนี่ยหนังจีนหรือว่าภาพยนตร์ฝรั่งส่วนมากแนวจารกรรมเนี่ยแนวจารกรรมเนี่ยคนจะต้องครอบครองอะไรไว้สักอย่างหนึแล้วคนนั้นก็จะถูกไล่ล่าถ้าท่านทิ้งของนั้นปับทันทีเนี่ยท่านจะไม่มีความหมายเลยเลยะจะไม่มีใครคิดไล่ล่ า, ลาเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะละเอาอะไร เราก็ไม่ได้ครอบครองอะไรเอาไว้เมื่อเหมือนกับเล่าเรื่องอีกาที่แย่งอาหารกันหรือว่าสุนัขที่แย่งอาหารกันของอีกาที่มันหล่นลงไปติโรเทศัต ท, ท่านทอดประเนตรเห็นในตอนที่เสด็จไปการส่วนพระองค์ไปเที่ยวตามบ้านตามเมืองต่างๆนั้นก็คือมันเกิดจากอุปทานด้วยน่ากความใคร่ในสิ่งที่ตัวเองใคร่ แต่คนอื่นก็ใครขึ้นมาด้วยนะเขาอยากได้ขึม้มันโดยก็เลยก็เป็นปัญหาแม้เขาไม่อยากได้เนี่ยเราก็กลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายก็มีความมีตรกกังวลมีความโงงใหญ่เหมือนกันทิฏุปาทานถือมั่นโดยหน้าของทิฏฐิคือความเห็นผิดใ น, ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งความเห็นผิดในสิบเรื่องใหญ่ๆเนี่ย การเห็นว่าการให้ฐานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่สอนบุคคลรู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีตรงนี้เป็นมิจฉาทิจิที่ยึดถือแล้วก็แรงแล้วก็เป็นอันตรายบางครั้งบางคราวอย่างนอกเรื่อง อย่างสำนักกรรมฐ า, านทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกทีมยึดถือเป็นอุปท า, านนะไมนอกเรื่องเชนว่าบางวัดบอกต้องสัมมาอราหังเท่านั้นจึงจะถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องบางแห่งบอกว่าต้องยุบหนองฟองหนอเท่านั้นบางแห่งมัต้องบอกภาวนาพุทโธเท่านาั้นนอกเรื่องเท่านั้นนะนะเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นที่เกาะของจิตเท่านั้นเองพระพุทธคุณมีทั้งเก้าบททําไมจะต้องว่าบทเดียวล่ะบทไหนก็ได้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่สงบนิวรณ์เท่านั้นเอง เราไม่ใช่ว่าต้องอย่างนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องอันนี้เป็นแนวทิศถูกปฏิหานแล้วก็แนวอัตวาตุปาทานอันนี้วาฏทะรู้สึกตนให้ความสำคัญเกียรตินนะหลงตัวเองพวกหลงตัวเองทั้งหลายเนี่ยปวกดีคนเดียวพวกหลงตัวเองพวกรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ใช้ตัดสินสิ่งต่างๆโดยอัตวิสัยคือใช้ตัวเองเป็นศูนย์ในการตัดสิน ชี้ผิดชี้ถูกลงไปมันก่อนได้ได้ดูข่าวอะไรเรื่องเจ้าหญิงมิสซูรีที่เกาะลังกาวีก็ย่างนึงกว่าเออมันก็สอนอะไรได้เยอะนะฮะสมมุติว่าพี่น้องอิสลามที่นั่นเขาเชื่อเรื่องจริงแล้วก็เชื่อว่าหนูคนเนี้หนูอะไรเนี่ยเป็นเจ้าหญิงมิสซูรีมาเกิดแล้วก็เป็นช่วงคนช่วงที่เจ็ด เราแสดงคนเราตายแล้วเลยเขาก็เชื่อในเรื่องสังสารวัฏถ้าเขาเชื่อไปอย่างนั้นน่ะแสดงก็าเชื่อในสังสารวัแตดว่าเชื่อในกฎของกรรมแต่ก็นึกว่าเจ้าเมืองที่ไปฆ่าโดยเพียงแต่ว่าคนไปพูดเท่านั้นเองโดยไม่ได้ไต่สวนอะไรเลยเนี่ยนี่คืออัตตาวิสัยวิสัยความรู้สึกตัวเองเป็นเกณฑ์แล้วต้องฟังเขาหน่อยเนี่ยฟังเขาหน่อยอ้ตุยบาทีหน่อย มันก็ไม่ต้องตัดสินด้วยอัตวิสัยอย่างนี้นแล้วพอเขาอธิษฐานว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็ต้องการพิสูจน์ว่าถ้าเขาตายด้วยการถูกฆ่าเนี่ยขอให้เลือดก็เป็นสีขาวเพื่อยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์แล้วเขาก็เลือดก็ขาวก็ทําอะไรไม่ได้ผลท้ายก็ฆ่ากันยุ่งไปหมดเลยนี่ก็คือที่จริงเป็นตัวอย่างให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เกิดจากอุปาทานอันตวาตุปาทานเนี่ย นี่ในอาหางการนะมาให้ความสำคัญกับตัวเองจนถึงก็ลงตัวเองแล้วก็ถูกอยู่คนเดียวต้องฟังเทไนใต้ร่มพระพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังเทไนโดยตัวกันสวัสดี